ใจเพวกเราตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเยอะแยะเลยตอนนี้ถ้ามีสติไว้นะก็มีศีลมีสติไว้ก็มีสมาธิมีสติและสมาธิก็มีปัญญาเนี่ยใช้หลักอย่างนี้กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนๆกันหมดจะพุทโธจะรู้ลมหายใจจะดูท้องพองยุบจะทําจังหวะขยับมือจะเดินโจงกลมนะกรรมฐานอะไรก็เหมือนๆกันหมดอยู่ที่ว่ามีสติไหม มีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้ไปด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางทํากรรมฐานอะไรก็เห็นอย่างเดียวกันเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์นนะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยมาคุยเรื่องวิปัสสนาไม่ล้างกิเลสจริงเอาได้แต่ข่มกิเลสเป็นคราวๆไปแล้วนะเห็นไตรลักษณ์ร่างกายหายใจอยู่มีไตรลักษณ์ไหมร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็มีไตรลักษณ์ใช่ไหมรู้เวทนาในกายมีไตรลักษณ์ไหม รู้เวทนาในจิตก็มีไตรลักษ์ใช่ไหมรู้กุศลอกุศลคือตัวสังขารในจิตมีไตรลักษ์ไห ม, ไหมรู้ตัวจิตเองที่เกิดทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีไตรลักษ์อีกใช่ไหมกรรมฐานอะไรๆนะี่มันแสดงธรรมะเรื่องเดียวกันมันแสดงไตรลักษณนะ์ถ้าเข้าใจว่าโอ้ทุกอย่างมันเกิดมาแล้วมันดับไปดับไปนะทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ไตรลักษนะ์มันไปที่เดียวกันใจมันวาง เรารู้ตามความเป็นจริงก็เบื่อนายเพราะเบื่อหนายก็คลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดก็หลุดพ้นพรหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะพราหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วถ้าเป็นสายเดียวกันหมดนะจะเริ่มจากอะไรไม่สําคัญนักหรอกแต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจก็ใช้ไดนะ้แต่บางคนต้องเริ่มจากทําสมาธิก่อนนะบางคนเริ่มจากเดินปัญญาก่อนนะแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะ ในพระไตรปิฎกมียุครนาทเธอสูตรพระนรนสอนไวนะ้การปฏิบัติมีหลายแบบใช้สมาธินำปัญญาก็มีใช้ปัญญานำสมาธิก็มนะีใช้สมาธิและปัญญาควบกันก็มีสมาธินำปัญญาสุดท้ายก็มีปัญญาปัญญานำสมาธิสุดท้ายก็มีสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันมีทั้งสมาธิและปัญญาในเวลาเดียวกันนะงั้นทางเดิน มีหลายทางก็จริงแต่สุดท้ายต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาเวลาคนบรรลุพระอราหันต์เนี่ยในพระไตรปิฎกท่านจะใช้คําเหมือนๆกันเลยนะใช้คําว่าหลุดพ้นจากอาสวะนะเพราะความไม่ถือมั่นนะท่านใช้คํานี้หลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นนะด้วยปัญญาวิมุตต์และเจโตวิมุตต์อันไม่กําเริบกลับนะเวลาหลุดพ้นจริงๆใช่ไหม มีทั้งปัญญามีทั้งเจโตหมายถึงมีทั้งสมาธิเนั้นเวลาหลุดพ้นทีจริงมีทั้งสมาธิและปัญญาสมาธิและปัญญาสมดุลกันด้วยสติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติประชุมลงที่จิตดวงเดียวกันลงที่เดียวกันเลยสติระลึกรู้ลงในจิตโดยไม่จเจตนาะระลึกสมาธิตั้งมั่นอยู่กับจิตจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตโดยไม่จเจตนาให้ตั้งมั่นไม่ต้องประครับประคอง ปัญญารู้แจ้งอริยสัจแห่งจิตโดยไม่ต้องคิดพิจารณามันลงมาที่เดียวกันหมดเลยสุดท้ายก็คือต้องมีครบเ น, ะนะี่ยสติสมาธิปัญญาไม่ใช่มีปัญญาอย่างเดียวแล้วบรรลุไม่ใช่มีสมาธิอย่างเดียวแล้วบรรลุเพียงแต่บางคนต้องเริ่มจากสมาธิก่อนบางคนเริ่มจากปัญญาก่อน น, นี่หลวงพ่อมาดูดูคนรุ่นเราเนี่ยเป็นโรคสมาธิสั้นเคยได้ยินไหมสมาธิสั้นเริ่มจากสมาธิเล่นยากนะ ยากสุดๆเลยจะเริ่มจากแบบหลวงพ่อก็ได้นะทำสมาธิสัก2 0่สปัวปีก่อนนะทำสมาธิจนจิตสงบแนละ้วมาดูกายดูใจหู้นหมูมากเลยดูปุ๊บวันแรกดูหัดดูวันแรกนะขันก็กระจายออกละเพราะทำสมาธิมาเยอะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานั่งดูมาจากสุรินนะนั่งรถไฟมาไปแวะโคราชหาหลวงพ่อพุฒหน่อยแล้วขึ้นรถไฟต่อมากรุงเทพ มาถึงใกล้ๆหัวลำโพงนขันมันก็กระจายออกแล้วสมาธิเราทามาก่อนเยอะแล้วเราจะมาเดินปัญญาไม่ยากอะไรนี่มาดูพวกเรารุ่นหลังๆสมาธิสั้นสั้นจุดจูเลยสั้นมากๆเลยใจวักแวกวักแย็กจะให้เริ่มจากทำสมาธิสัก1ิบปียี่สิบปีคงไม่ทันแล้วไม่ทันอะไรไม่ทันใจ <laughs> ให้ทนานานๆไม่เอาเลิกดีกว่า หลวงพ่อก็เลยต้องปรับวิธีสอนใหม่นะพวกเรายุคนี้ปัญญาแก่กล้าพูดแบบชมชมนะความจริงฟุ้งซ่าน <laughs> ปัญญาแก่กล้าแล้วก็มีปัญญามากเอาปัญญานำนี่แหละเดี๋ยวสมาธิค่อยเกิดขึ้นมาค่อยๆฝึกสมาธิก่อนทีแรกมีปัญญานำสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยค่อยรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆนะรู้ทันจิตไปศีลก็เกิดแล้ว กิเลสเกิดในจิตรู้ทันศีลก็เกิดจิตฟุ้งไปจิตไหลไปสติรู้ทันนะสมาธิค่อยเกิดขึ้นมาคราวนี้ก็ค่อยรู้คอยดูอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในกายคอยรู้สึกอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในจิตใจค่อยรู้สึกไปได้ไม่มีสายไหนสายไหนนะสติระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนา สติระลึกรู้จิตสังขารที่เป็นกุศลอกุศลก็เห็นไตรลักษณ์ของกุศลอกุศลสติรู้ระลึกรู้จิตที่เกิดดับทางทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตนะไม่ว่าจะดูอะไรก็ดูลงมาที่เดียวกันหมดเลยคือเห็นไตรลักษณ์เหมือนกันหมดเลยนะนี่ภาวนาแบบนี้นะไม่ยากอะไรหรอกแล้วหลวงพวกก่อก็จะบอกพวกเราว่าอย่าลืมทําในรูปแบบด้วยนะ ทุกวันไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิให้หลวงพ่อวันหนึ่ง5นาที10นาทีนะอันนี้เป็นอุบายหลอกเด็กนะอย่าไปบอกใครนะเป็นอุบายนะถ้าเริ่มต้นบอกให้นั่งมาละชั่วโมงเดี๋ยวมันก็เลิกหมดเลยหลวงพ่อขอ5นาทีพอสู้เห็นไหมห้านาที10นาทีสวดมนต์ก็หมดไป3นาทีแล้วนั่งอีก2นาทีหมูจะตายสบายใจนะพอสบายใจเนี่ยใจจะสงบง่ายสวดมนต์ไปเดี๋ยวก็เลิกละนะ นั่งสมาธิเดี๋ยวก็เลิกแล้วนั่งรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายดูใจนะพอทําด้วยความรู้สึกผ่อนคลายนะจิตจะสงบนะพอจิตมีความสุขแล้วจิตจะสงบพอจิตสงบเนี่ยเอ๊ะวันนี้นั่งมาสนาทีก็สงบนะอีกวันหนึ่งมีกําลังใจตอนนี้คนที่นั่งได้เตินได้นะวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงก็มีเยอะแล้วนะเนี่ยถูกหลวงพ่อหลอกมาจาก5นาที10นาทีนี่แหละนะแต่ว่าใจมันพัฒนาขึ้นนะ มันมีความสุขอ่ะที่ได้ทําสมาธินะมีความสุขที่ได้หาดรู้สึกตัวต่อไปก็มีความสุขที่ได้เจริญสติอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยภาวนาไปเต็มไปด้วยความสุขนะมีความสุขนี่ก็อย่าบอกใครนะหลอกเด็กอีกแหละพอภาวนาไปภาวนามานะทีแรกใหม่มันสุขอ้ะสุขจังนะภาวนาไปภาวนาไปนะเฮ้ยโลกนี้มีแต่ทุกข์แนฮะโลกนี้จืดชืดเนี่ย โรคนี้จืดชืดโรคนี้ไม่มีรสชาตนะิเหมือนที่พราหมณ์คนหนึ่งนะมันขี้โมโหมไปด่าพระพุทธเจ้าพระสมณะโคโดมจืดชืดก็บอกใช่พระสมณโคโดมไม่มีรสชาติใช่พระสมณโคโดมตายแล้วไม่ผุดไม่เกิดใช่มันงงเลยนะผู้ใดอบอกใช่หมดเลยนะก็ใช่จริงๆอะจืดจากกิเลสนะจืดจากกรามนละ้วโลกมายุ่งใจไม่ไหวเลยนะเนี่ยพวกเราฝึกนะ มันมาตรงนี้ตอนนี้พวกเราฝึกมาถึงจุดนี้ได้เยอะแยะแล้วไม่ใช่น้อยน้นะนับจํานวนไม่ท้วนเลยนี่ฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยท่าดขันกระจายตัวไปตัวเราไม่มีนะเห็นเริ่มเห็นแนละ้วใครบอกว่าฝึกอย่างหลวงพ่อประโมท ด, ดูกายไม่เป็นโถมาท้ากันเลยนอนหลับอยู่ยังรู้เลยร่างกายเคลื่อนไหวอะ่ะเอย่าว่าแต่ตื่นเลยนอนหลับอยู่ยังรู้เลยพิกซ้ายพิกขวารู้เลยใครทําได้บ้างยกมือให้ดูเป็นตัวอย่างสินะนี่มีหลายคนอยู่เหมือนกัน จะรู้สึกนะรู้สึกทั้งกายรู้สึกทั้งใจนั่นแหละถึงเวลาก็ทําในรูปแบบไปหมดเวลาทําในรูปแบบมีสติในชีวิตประจําวันดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายไปดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะทําความสงบไหมพุโทโธไว้หายใจไว้พอจิตใจมีความสุขมีความสงบนะเดี๋ยวมก็กลับมาดูจิตได้นี่ฝึกอย่างนี้เดินทุกวันทุกวันไปแล้วมันก็พัฒนาไปเองแหละไม่ต้องรีบร้อนหรอกมรรคผลนิพานไม่หนีไปไหน จริงมากนิพพานอยู่ต่อหน้าเรานะไม่เคยหายไปไหนเลยนิพพานนะใจเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นท่านั้นเองเราพัฒนาคุณภาพของใจเราด้วยศีลสมาธิปัญญานะแก่รอบขึ้นมานะไม่เห็นเองแหละไม่ต้องไปดิ้นรนค้นคว้าอะไรนะอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วหมดความอยากมาเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นยังอยากอยู่ก็ไม่เห็นหรอกเพราะตัณหามันทำไปสู่พบนะนิพพานพ้นจากพบ เราอย่าสร้างตัณหาอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานก็แค่นั้นเองทำไมมีตัณหาตัณหามีเพราะมีเอาวิชาไม่รู้ความจริงหรอกว่ า, าธาตุขันนี้เป็นตัวทุกข์คิดว่าร่างกายนี้ยังเป็นสุขอยู่จิตใจนี้เป็นตัวสุขนะก็ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยถ้าปัญญาแจ้งนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆ มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปเห็น<ม>แจ้งอย่างนี้นะมันจะวางความยึดถือในใกายในใจพอไม่ยึดกายไม่ยึดใจแล้วความอยากจะไม่มีอีกแล้นะการละสมุทยัยนะเราละได้เด็ดขาดเนียสมุดเฉดประหารละแล้วละเลยไม่ต้องละอีกเนะี่ยเพราะว่าเรารู้ทุกแจมแจงรู้ว่าทุกแจมแจ้งรู้ว่าขันห้านี้เป็นทุกล้วนๆเลย ความอยากให้ขันห้าเป็นสุขก็ไม่มีแล้วความอยากให้ขันห้าพ้นทุกข์ก็ไม่มีแล้วเพราะมันเป็นทุกข์ล้นๆ้นะเมื่อเราละสมุทัยไดนะ้ก็ด้วยการรู้ทุกข์การรู้ทุกข์นั่นแหละคือการเจริญมรรคเคยได้ยินไหมทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเกิดในขณะเดียวกันก็มันอันเดียวกันแหละการรู้ทุกข์นั่นแหละคือมรรคการรู้ทุกข์ก็เป็นการทํากิจต่อทุกข์การรู้ทุกข์นรรรรรั่นแหละทําให้สมุทัยไม่เกิดสมุทัยไม่เกิดนั่นแหละ นิโรธคือนิพพานก็ปรากฏขึ้นมาเราะงั้นทุกสมุทัยนิโรธมันเกิดทีเดียวกันนั่นแหละในขนาดจิตเดียวกันนั้นเลยเนะี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกอยู่ที่เราอดทนนะพักเพียนทำเอาทุกวันรักษาสี่หศสี่หพอแล้วนานๆรักษาสี่8ลองดูบ้างก็ได้แตนะ่สี่้าน่ะจำเป็นแล้วก็ทุกวันฝึกจิตแบ่งเวลาไว้ฝึกในรูปแบบ หัดพุดโทโธหัดสวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์ทำอะไรไม่เป็นสวดมนต์ไว้ก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะจิตมันฟุง้งซ่านรู้ทันบ่อยๆนะจิตจะสงบเองได้สมาธิขึ้นมาง่ายๆเลยหรือหัดพุดโทโธพุโทโธนะจิตหนีไปคิดรู้ทันนะสักพักหนึ่งก็ได้สมาธิจิตไม่หนีไปก็ตั้งมั่นขึ้นมาจะดูท้องฟองยุบก็ได้อะไรก็ได้นะแล้วก็คอยรู้ทันจิตไว้ ดูท้องพองยุบไม่ได้ดูแต่ท้องดูท้องพองยุบไปจิต น, นีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งท้องรู้ทันดูท้องพองยุบแล้วรู้ทันจิตไว้จะได้สมาธิงั้นการที่ฝึกให้ได้สมาธินะั้นบางทีท่านเรียกว่าจิตตะศิขาเคยได้ยินไหมจิตตะศิขาทําให้ได้สมาธิเพราะฉะนั้นดูจิตดูจิตนั้นได้สมาธินะส่วนดูจิตให้เกิดปัญญาเป็นอีกแบบหนึ่งในขั้นที่จะให้เกิดปัญญานะั้นไม่มีสายกายสายจิตแล้ว บางทีสติระลึกรู้กายก็เห็นใจรักของกายสติระลึกรู้จิตก็เห็นใจรักษของจิตไม่มีสายไหนสายไหนเราเลือกไม่ได้ว่าสติจะระลึกอะไรเพราะสติเป็นอนัตตาฝึกมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งปัญญาแจ้งขันนี้มีแต่ทุกร้อนร้อนนะจิตก็วางขันวางขันแล้วมันก็ไม่มีความอยากเกิดขึ้นไม่ต้องอยากให้ขันเป็นสุขแล้วมันเป็นไม่ได้ไม่ต้องอยากให้ขันพ้นทุกข์แล้วมันพ้นไม่ได้ขันนั่นแหละตัวทุกข์ ความอยากดับสนิทนะนิพพานก็ปรากฏนิพพานคือความพ้นจากความอยากสภาวะที่พ้นจากความอยากนะแค่นั้นแหละไม่ยากนะอยู่ที่ทนพอไหมไม่ต้องฉลาดรอบรู้อะไรมากนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้ไปทุกวันทุกวัน ทุกวันแบ่งเวลาไปซ้อมรู้ใจหนีเรารู้・ใจหนีเรารู้ใจได้สมาธิออกจากสมาธิออกจากการทำในรูปแบบแล้วร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกทำอย่างนี้ไปด้วยวันหนึ่งกิเลสมันทนทานสติปัญญาไม่ไหวหรอก <嗯 S 1> ถล่มทลายลงไปต่อหน้าต่อตานั่นแหละวัตตจักก็คว่าลงตรงหน้าอ่ะตรวจกันบ้านวันนี้เทศยาว น้เาเชิญก า, กาบนมศัศ ก, กาลหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ขอให้หลวงพ่อช่วยดูว่าได้ทําอะไรผิดไปบ้างนะคะใช่แล้วก็เหมือนก็ผิดตลอดและก็แก้ส่วนที่ผิดแล้วต้องแก้ไขนะเจ้าค่ะผิดมันมีสองอานเองหนูไม่ต้องกลัวน ะ, ะมีเผลอกับเพง่งนะถ้าเผลอแล้วก็รู้ทันนะเพ่งอยู่ก็รู้ทันตอนนี้เผลอหรือเพ่งล่ะ หรือเผลอไปเพ่งไปพอเราหลวงพ่อทักว่าเผลอหรือเปล่าก็แบบไปเพ่งเลยอะไรเงี้ยค่ะสลับไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนี่รู้ทันแล้วนะค่ะรู้ทันเลย <ขา S 2> มันจะเผลอไปก็คือใจหลงไปพอรู้ทันใจก็ตั้งมั่นขึ้นมานี่กลัวจะเผลออีกก็เพ่งค่ะถ้าไม่เผลอไม่เพ่งนะใจสบายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะเห็นธาตุเห็นขันมันทํางานไปเค่ะแล้วก็ขอกันกันบ้านด้วยเจ้าค่ะ ไปทำสี่หลวงพ่อสอนให้แล้ววันเนี้ยเยอะแยะละไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยแล้วเจ้ะค่ะในรูปแบบคือปกติอยู่ของหนูที่พิเศษนะรับฟังไหวไหมได้เจ้าค่ะหนูว่าต้องอย่าคลุกคลีเยอะอย่าคลุกคลีเยอะอย่าไปยุ่งกับคนเยอะนะถ้าเราไปคุยกับคนเน่ใจเราจะฟุ้งฟุ้งแรงนะเพราะงั้นเราคุยกับคนเท่าที่จําเป็นหรอกอันนี้จะช่วยหนูได้เยอะเชียวเจ้าค่ะอ้าวแม่ชีขอบคุณเจ้าค่ะ วันนี้กราบรายงานการประเมินผลในรอบหนึ่งปเีเริ่มจากการแยกรูปนามได้ได้แล้วก็ได้ชัดเจนขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองคือการวางทุกเป็นเรื่องการแยกรูปนามได้คือว่ามันเห็นสภาวะของรูปที่เกิดขึ้นอันนึงจิตที่เข้าไปปรุงแต่งสภาวะ<ม>ของรูปที่เกิดขึ้นอีกอันนึง<ม>แล้วจิตผู้รู้ที่เข้าไปรูป<ม>้สภาวะอีกอันนึงคือเห็นได้ชัดเลยว่า เวลาเราเราเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยเวลาจิตมันเบิกบานขึ้นมาเนี่ยความเบิกบานไม่ใช่จิตความเบิกบานเป็นสภาวะของรูปที่แปรเปลี่ยนจากสภาวะที่แข็งตึงมาเป็นอ่อนโยนแล้วจิตที่ปรุงแต่งเข้าไปปรุงแต่งสภาวะนี้ว่าเป็นความเบิกบานแล้วจิตผู้รู้เข้าไปรู้เข้าตรงนี้อันหนึ่งนะคะไอ้ตรงนี้เนี่ยการแยกได้แยกได้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีที่แล้วที่ หนูได้ประจักษ์เลยว่าเอออันนี้มันน่าจะเป็นตัวที่ยืนยันได้ว่าเราแยกได้จริงๆคือว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนมีนาตอนประมาณตีหนึ่งคือปวดท้องมากแล้วจะไปถ่ายท้องอเสร็จแล้วมันปวดเหมือนปวดบิดเสร็จแล้วหนูก็นั่งแทบทรงตัวไม่อยู่แล้วในจิตก็ดึงประตูเข้ามาแล้วบอกว่าไหวนะหลังจากรู้สึกว่าไหวนะหนูล้มลงไปโดยที่หนูไม่รู้สึกตัวเลยอแล้วหลังจากนั้นเนี่ย มารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ว่าเห็นตัวเองนอนคว่มอยู่ที่พื้นเรียบร้อยแล้ว hmm. หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาทันทีพอลุกขึ้นมาทันทีตาก็สว่างหัวใจก็ปกติ hmm. ท้องก็ไม่ปวดเหมือนว่าเมื่อกี้นี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเราเลย hmm. แต่ว่าแก้มกับหัวคิ้วเนี่ยมันเจ็บเลยรู้ว่า hmm. เราล้มไปจริงแต่ก่อนที่จะรู้ว่าเป็นเราเนี่ยมันมีสามสเตปที่รู้สึกตัวครั้งแรกเลยยังไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ไหน อะไรนี่ไม่รู้เลยรู้สึกเฉยๆพออีกขณะจิตต่อมารู้สึกว่าเห็นตัวอะไรไม่รู้นอนกระแดวกระเดวอยู่ไม่รู้ว่าเป็นตัวเองพออีสเต็ปต่อมาเห็นพื้นจึงรู้ว่าอ้าวลอนเรานอนคว่ำอยู่แล้วแตกหนูจําได้อีกว่าเห็นจิตจําได้ว่าในขณะที่มันไม่รู้สึกตัวเนี่ยจําได้ว่าจิตมันคิดสองเรื่องเรื่องแรกก่อนที่มันจะรู้สึกตัวขึ้นมาว่าก่อนจะรู้สึกตัวครั้งแรกนะนะว่าว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ย มันจิตมันคิดว่าสัพปาที่สอุปาที่เศสานิพานนิพานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่มันก็เลยรู้สึกตัวแต่ก่อนที่มันจะคิดสัพปาที่เศสานิพานมันคิดว่าอนุปาที่เศสานิพานคือนิพานอของพระอรหันต์ที่ตายแล้วอแต่จําขึ้นไปได้อีกว่ามันจำมันคิดอีกว่าเวทนานี้เพื่ออนุปาที่เศสานิพานอันนี้หนูเข้าใจว่าที่หนูจิตมันคิดอย่างนี้เพราะว่าช่วงก่อนไปอ่าน ไปสนใจสําคำนี้ไงคะทีนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวอันหนึง่งทีนี้พอเหตุการณ์ที่รองรับถึงความความการบางทุกเป็นคือว่าเมื่อเดือนมิถุนาหนูไปผ่าตัดมาตีก้อนที่หน้าอ ก, ก น, นะคะเสร็จแล้วพอผลการผ่าตัดเนี่ยประมาณวันที่หนึ่งหมอบอกว่าเป็นเนื้อร้าย จิตนี้ไม่สถเทือนเลยมไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นอะไรเลยทถ้าหมอจะผ่าอีกหนูก็ตัดสินใจไม่ผ่าอีกเพราะว่าหนูจะดูแลตัวเองเรื่องอาหารตรงนี้ยค่ะก็เรียกว่าปัจจุบันเนี้เกือบหกเดือนแล้วก็ถามว่าสภาวะของจิตใจและรูปที่เราดูแลเนี่ยคือเราเราดูแลได้กับจิตใจของเราเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคือมันแยกได้แบบ คือแค่ๆว่าความสะเทือนของจิตนิดนึงก็ไม่มีอะค่ะอ mm. อันถามว่าอันเนี้ยที่หนูวางได้เป็นเนี่ยหนูตอบได้อย่างเต็มที่เลยว่าเพราะอุณหูจากการที่หนุบนูมาศึกษาทํามกับหลวงพ่อในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหนูไม่ได้อย่างนี้เลยทุกนิดนึงก็จิตใจก็หวั่นไหวอะไรขณะนั้นแหละ แต่นี้เราประสบกับเหตุการณ์นี้เนี่ยแต่จิตใจเราไม่ได้สะเทือนเลยแม้แต่น้อยนึงเนี่ยหนูถือได้ว่าเป็นอานิสงส์ที่หนูมาศึกษาทํากับหลวงพ่ออย่างมากทีเดียวอะค่ะเดี๋ยวศึกษาอีก <laughs> สังเกตไมมในความเคลื่อนไหวเนี่ยยังมีตัวนิ่งอยู่ตัว <c oughs> นึ่งตัวเนี้เราไม่ประคองไม่รักษามันนะ <c oughs> ตัวนี้จิตมันคุ้นเคยไปรักษาตัวนี้อยู่ปล่อยมันสิ เห็นไหมมันมีตัวนิ่งคงที่อยู่ตัวนึงไปดูต่อน ะ, อะก็ต้องอยู่กับธรรมชาติในชีวิตประจําวันมันเคลื่อนไหวทุกอย่างนะเป็นแค่ปรากฏการเป็นแค่ความกระเพื่อมไหวท่านั้นขันห้าทั้งหมดนี่เป็นแค่ความกระเพื่อมไหวท่านั้นเองนะแต่เราไม่ได้สงวนรักษาขันห้าบักส่วนให้คงที่ไวนะ้นี่นักปฏิบัตินะจะมาฝากเป็นฝากตายไอ้ตัวนี้นะ อ้าวรัฐฟังแม่ชีว่าแล้วรัดว่าบ้างก็ง <g ül> ที่เมื่อวานหลวงพ่อพบอกว่าให้ดูภาพรวมอะค่ะรัดรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาค่ะภาพรัตรู้สึกความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดมากกว่าปีเนี้ยค่ะ <c oughs> ส่วนปีนี้เนี่ยมันเหมือนกับรู้สึกว่ามันมันแค่มันแตกต่างน้อยค่ะแต่ว่ามันเข้าใจมากขึ้นแต <c oughs> ่ช่วงเนี้ย มันเห็นอะไรมันถ้าสังเกตดูมันเห็นดวนซ้ำๆะคะ่ะมันวนมวนซ้ำเห็นที่เดิมรัฐมีปัญหาอะไรของรัฐเองที่ต้องแก้แล้วก็พัฒนาไงที่ตัวรัฐจะพัฒนาขึ้นนะคะไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนนะบางทีมันก็ท้อแท้ใจอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปทอมนันหรอกดูมันทุกวันไปจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นไปจิตท้อแท้รู้ว่าท้อแท้นะดูไปแรงมันก็เยอะขึ้นเองแหะ มีแรงเยอะขึ้นดูออกไหมอาจจะเพราะสองสมวันนี้มาอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องทำอะไรก็เลยมีแรงมากขึ้ น, นะคะ่ะอ้าวตารัด่ะดีขึ้นเยอะแ ล, ะละ้วล่ะฝึกไปเมืม่อวานก็ดีกว่าวันแรกค่ะแต่ว่ายั ง, ยงรู้สึกขี้เกียจแล้วนะเห็นหน้านแล้วหัวแขงมันขี้เกียจงไงเหมืนอนมั้ะมันมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนตัวเองทาอะไรแบบแล้วติดอะไรสักอย่างในใจอะค่ะเหมือน ทำแล้วเหมือนแบบอยากให้ได้แบบดีอย่่กับโลกเยอะใช่ค่ะอยู่กับโลกนิดๆหน่อยๆเท่าที่จําเป็นอย่เอาโลกเป็นที่ฝากชีวิตไว้อย่าไปหลงโลกนะต้องปรับปรุงอะไรอีกไหมคะนั่นแหละอย่าไปหลงโลกมันนะอย่าทิ้งการปฏิบัตินะอ่ะมัวๆก็เมื่อวานมันมีเวทนาเยอะ เดินปกติไม่ค่อยได้เดินเยอะขนาดนี้ลองเดินดูแล้วก็ร่างกายก็เรียกร้องค่อนข้างจะปวดนอนปนนี้เป็นเวทนาเยอะนะครับอายุเท่าไหร่แล้วล่ะอายุส2ครับแล้วว่าทำไมมันไม่ค่อยเดินล่ะยังหนุ่นมนะครับก็ไม่ค่อยได้เดินเดินทั้งวันทะเมวันลองเดินทั้งวันดูแล้วไม่ทราบจะมีการบ้านอะไรให้ทําเพิ่มเติมครับมีสติไปเลยนะมีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆ อะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกนะรู้เล่นๆไม่แทรกแซงมันในรูปแบบก็ต้องทำนะทิ้งไม่ได้หรอกทิ้งเฝึกแต่ในชีพจำบันิีกำลังไม่พอเพียนงะแต่ตอนที่เราฝึกในรูปแบบเนี้ยมันถลําลงไปรู้เราก็แค่รู้ทันว่าถลําไปรู้นะ้นก็ทำในรูปแบบต่อไปโดยที่ไม่ถลําไปนะถึงจะได้แรงน ะ, ะใครจะคุยกับหลวงพ่อใครเห็นว่าจาเป็น เอาจําเป็นนะเบอร์ห้าสิบหนึ่งขอส่งกันบ้านในรอบเกือบสามเดือนเจ้าค่ะ อ, อตอนนี้มีประคองยืนพื้นอยู่เจ้าค่ะแล้วก็เขีนความเปลี่ยนแปลงบ้างไหมยมไม่ค่อยแน่ใจคือบางทีเนี่ยรู้สึกว่าความทุกข์เนี่ยมันสั้นลงแล้วก็บางทีก็รู้สึกสบายมากมแต่บางทีก็ใจก็เวียงเยอะเจ้าค่ะเวียงแล้ร่วมนะอยากให้ไม่เวียงร่วอยาก รู้โลกปัจจุบันไปเรืยนะใช้ได้เ อ, อโดยภาพรวมปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเผชิญกับความทุกข์เยอะแล้วก็บ่อยขึ้นแล้วก็แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันมันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าดีกว่ามันไม่เข้าไปคลุกมากนะดูออกไหมบางครั้งเห็นจ ะ, ะมันไม่เข้าไปคลุกทุกข์ก็ทุกข์กไปสิมันไม่คลุกด้วยไม่เป็นไรนะมีกันบ้านอะไรที่ยม ทําสม่ําเสมอท่าน น, นะรู้หลักและหลักแล้วทาสม่ําเสมอร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเขาส่งกันบ้านกันนะคะเขาเป็นขั้นระดับมหาวิทยาลัยคะ่ะของหนูเตรียมอนุบาลคือหนูอยากรู้ว่าที่ผ่านมานี้หนูเคยปฏิบัติกับเขาบ้างไหมคะเคยสิทำไมยังไม่เคยอะ่ะเพราะหนูไม่รู้ว่าคือมันต้องกาเกณฑ์เวลาเท่าไหร่แล้วต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่รู้ก็ช่างมั น, ปนไปอเลยนะ รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจไหมล่ะบางทีก็รู้ทันนะค่ะรู้บ่อยๆนั่นแหละภาวนามันไม่จําเป็นต้องจํากัดว่าต้องระหว่างช่วงลานี้หลังจากทางนี้ถึงตรงนี้คือมันระลึกได้เมื่อไหร่ก็คือการปฏิบัติมานานใช่<า>ไหมคะการทําในรูปแบบนะเป็นการทําให้เรามีวินัยไม่ขี้เกียจนะทําให้เรามีแรงมากนะทําได้ก็ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าพ้นเวลาที่ทําในรูปแบบแล้วเลิกปฏิบัติ การปฏิบัติเนี้ยทาตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดอันนั้นปฏิบัติไม่ได้มันห้ามไม่ได้หรอกงั้นคาว่าปฏิบัติไม่มีเวลานี้ถึงเวลานี้ไม่มีปฏิบัตินั้นปฏิบัติกันตลอดเวลาเพียงแต่ว่าตอนนี้ทําในรูปแบบตอนนี้เจริญสติในชีวิตประจําวันไม่ใช่ออกจากการทําในรูปแบบแล้วเลิกปฏิบัติไม่ใช่เพราะงั้นไม่มีหรอว่าปฏิบัติเท่านี้ถึงเท่านี้นะ มีแต่ให้มีสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดนะเพราะเราต้องทํามาหากินต้องคิดเวลาที่เราคิดเรารู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้นี่เป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วหนูสังเกตคือหนูเป็นคนที่โทรศัพท์จริตแรงใช่ไหมคะพอหนูมาศึกษาของหลวงพ่อแล้วหนูก็จะเห็นโทรศัพท์ตัวเองบ่อยขึ้นแต่หนูสงสัยว่าก่อนที่หนูจะศึกษากับหลวงพ่อหนูไม่เคยแบบ ออกมาทางวาจามากขนาดนี้ค่ะตอนนี้นี่คือหนูแบบตอนนี้หลว<า> <c oughs> งพ่อถึงบอกไงเวลาเราเจริญสติเจริญปัญญานะเราต้องถือศีลไว้ก่อน <c oughs> เพราะอะไรเพราะเราจะไม่เก็บกดละแต่เดิมเรากดทางใจไว้เราค่มตัวเองไว้นะพอตอนนี้เรามาเจริญสติเราไม่ข่มตัวเองไม่ข่มใจนั้นเลยต้องรักษาศีลไว้ก่อนเพอใจมันถูกกิเลสผลักนั้นะดิ้นขึ้นมาเนี่ยมันจะออกทางกายทางวาจาเราไม่ให้ออกนะ แต่ทางใจนี่ไม่กดเอาไว้แต่เดิมเนี่ยไม่ออกทางกายทางวาจาเพราะกดอยู่ที่ใจนะดูออกมาใจมันโปร่งขึ้นกว่าเก่าหรือเปล่าค่ะดีขึ้นค่ะเห็นไหมใจมันดีขึ้นมันโปร่งโล่งขึ้นรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไป<ม>รู้สึกไหมอะไรอะไรมันเบาๆบไปใช่ค่ะนะนั่นแหลฝึกไปแต่หนูยังติดที่หนูชอบคนรอค่ะหนูจะพิจนารณานอสุภะหรือ ย, ยังไงดีคะ รู้ทันว่าใจไปชอบเขาหนูชอบคนหล่อดีกว่าหนูชอบคนสวยนะคือหนูยังยึดติดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกอยู่อะคะ่ะห้ามไม่ได้ยังไม่ใช่ภูมิที่จะสู้เอาชนะได้ก็คือก็หลงต่อไปใช่ไหมคะเฮ้ย hey, ไม่ใช่ <c oughs> ครูบาอาจารย์ที่ไหนเขก็ไม่สอนเราให้หลงต่อไปะ่ะ ม, มีแต่ว่าหนูไปหลงรักเขาเข้าแล้วเนี่ยรู้ทันใจตัวเองนะไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยให้หลงไปเรื่อยๆนะ หน้าที่ของเราคือรู้ทันตัวเองไปเรื่อยแล้วเวลาเหงาทํำยังไงคะเวลาเลยนะเหงาเหงาก็ดูใจที่เหงาไปแล้วมันจะไม่เหงาใช่ไหมคะไม่เหงาเราพ่อไม่เคยเหงาเลยเลิกเหงาไานานนับเวลาไม่ถูกแล้วไม่มีเวลาจะเหงาเลยเห็นกิเลสโผล่อ๋อนี่นี่โผล่ตัวนี้โผล่ไม่เหงาเลยนะนั่งดูงานมีงานให้ทำทั้งวันไม่เหงาหรอก แล้วก็หลวงหนูเคยได้ยินหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าทีวีเป็นพะเทวทัศน์แล้วหนูก็ไม่ค่อยดูทีวีมากเหมือนแต่ก่อนนะคะก็ดีแล้วแนะแต่ถ้าถ้าดูทีวีวเราจะทำให้มันเป็นธรรมะได้ยังไงอะคะทำยากเหมือนฟุ้งง่ายไม่ดูได้ก็ดี<อ>ถ้าเราจะพาวนาใเอาจริงเอาจริงนะ<อ>มีแต่เรื่องกิเลสเท่านั้นเลยท่านตาหนิมากเนี่ยสำหรับพระน ะ, ะ โ, ยโยมท่านยังไม่ตาหนิมากหรก อ่ะสี่สิบเก้าเอาลู ก, กจุเมื่อคืนทําสมาธิฮะอาการเก่าแบบที่เคยเป็นตอนสิบปีที่แล้วมันกลับมาคือว่าพอจิตมันเริ่มสงบปุ๊บเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านขึ้นมาเป็นภาพนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นภาพอะไรรู้แต่ว่าเป็นภาพแล้วภาพนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่า ด, อาดูอย่าดูที่ภาพนะครับให้รู้ทันที่จิตเช่น จ, <ต>จิตชอบอจิตไม่ชอบอะไรเงี้ย ค, คือก็พยายามดึงกลับไปที่ลมฮะแต่มันก็ไม่เอาลมมันก็ทิ้ง มไม่เห็นว่าจิตโลภอ๋ อ, อคือคือตอนที่ไปชอบจะดูภาพให้รู้ว่าจิตโลภใช่แล้วต้องกลับไปเกาะที่ลมต่อป่ะฮะไปดูที่ลมต่อมัก็ไปเองอะ น, นะพอมันไม่ดูภาพมันก็ไปอยู่กับวิหารธรรมของมันคแต่อย่าดึงนะจงใจดึงเนี่ยทําไปด้วยโลภะแนละ้วเห็นไหมจู <ard> ้มันก็คือเรื่องรู้ทันกิเลสนั่นแหละครับนะกิเลสก็คือพอมันไปดูตัวนั้นไม่ชอบอย่างเงี้ยครับไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยา ก, อ ย, ากอย่าให้เป็นอย่างนี้รู้ว่าอยากนะ เวลาที่เราภาวนาแล้วมันเกิดนิมิตแสงสีเสียงใดๆนะบางทีนิมิตเป็นกลิ่นก็มีนะนิมิตเป็นรสก็มีนิมิตเป็นสัมผัสทางร่างกายก็มีนิมิตมีทุกรูปแบบเลยเวลานิมิตใดๆเกิดขึ้นอย่ามัวแต่ดูนิมิตอย่างเห็นเป็นภาพอะไรขึ้นมามัวไม่ดูมัอนให้มาดูที่ใจของเราเองเช่นใจเราพอใจใจเราไม่พอใจใจเรากลัวใจเราสงสัยว่าคืออะไรดูเข้ามาที่ใจเลยนิมิตไม่สําคัญ8ปสาม อาเชิญได้มีโอกาสฟังซีดีหลวงพ่อมาสักสองปีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสส่งการบ้านเลยก็มีบางครั้งก็รู้สึกเครียดบ้างบางครั้งก็รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกไปได้ดีแต่ก็ยังจับทางไม่ถูกอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนาด้วยนะครับไม่มีอะไรมากนะคอยรู้ทันความรู้สึกของเราเองที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนอะ่นะรู้ไปเรื่อยเราจะเห็นว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แล้วเห็นไหมความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะ nah, นี่หัดดูเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างในชีวิตนี่เป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นว่าสิ่งใดเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะต่อไปก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาพระโสะดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกพระโสะดาบันท่านรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาอย่างพอความสุขเกิดขึ้นเนีเราเห็นบ่อยๆเราก็รูนะ้ความสุขเกิดแล้วก็ดับต่อไปความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงระเริงความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่กังวลนะ เราก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ดับเนี่ยใจจะค่อยเป็นกลางกับโลกโลกนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายใจที่ไม่เข้าใจความจริงของโลกเข้าใจความจริงของธรรมะมันก็จะแกว่งตามโลกไปนะเราฉั้นเราหัดดูไปทุกอย่างมันชั่วคราวดูแบบนี้นะต่อไปใจเราสบายโลกแหว่งไงใจเราก็ยังสบายอยู่นะหกนี่อยู่ข้างหน้านี้เป็นทีมเสื้อเขียว ท่านครับปีก่อนท่านบอกว่าหนูยังติดเพ่งอยู่ตอนนี้ยังเพ่งเยอะมากไหมคะดูออกไหมล่ะที่หลวงพ่อบอกปีกลายเนี้ยใส่ร้ายหนูหรือเปล่าล่ะไม่ได้ใส่ล้ายค่ะเราก็สังเกตเวาสีนะแล้วต้องแบบต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่คือว่าตอนนี้หนูอยู่จังหวัดเลยมาลําบากนะคะมีอะไรก็ไปถามหลวงปู่ท่อนสิจั <c oughs> งวันเลยนะไปไปถามท่านอยู่แต่คือว่า ท่านท่านก็บอกให้ท่องพุทโธไปนะคะแต่เนื่องทำอย่างนั้นนะท่องพุทโธก็ได้นะแต่ไม่ได้ท่องพุทโธแล้วบังคับให้จิตนิ่งท่องพุทโธแล้วรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดรู้ทันพุทโธจิตนี้ไปคิดรู้ทันฝึกนี้เรื่อยๆจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งศีลเราไปก็เห็นเลยจิตหลงไปนะเราไม่ได้สั่งให้หลงนะหลงเองค่ะเห็นอนัตตาคือคือบางครั้งจะเห็น เห็นเห็นกายกับจิตแยกออกจากกันเ อ, อ น, นแหลดีแต่แต่บางครั้งก็ยังหลงเข้าไปคลุกอยู่ไม่เป็นไร<บ>คลุกเข้าไปรู้ว่าคลุกอยู่นะมันเคยแยกแล้วมันแยกไม่ยากหรอกมันแยกเองอะ่ะไม่ต้องไปจงใจแยกค่ะค่ะตอนที่มันแยกมันก็เป็นอัตโนมัติของมันนั่นแหละถ้าโลภนะไม่เป็นหรอกติดโลภอยู่ค่ะเอานะให้ดูเอาค่ะขอบพระคุณมากค่ะครยี่สิบหกสองหกค่ะหลวงพ่อ หนูแม่ได้ส่งกันบ้านมาปีหนึ่งแล้วค่ะคือหนูจิตอยากว่าหลวงพ่อเลกชื่อคนอื่นอย่ากให้หลวงพ่อเลกชื่อหนูบ้างแล้วหนูชื่ออะไรหลวงพ่ อ, อยังไม่รู้เลยชื่อมั่มค่ะหลวงพ่อชื่อมัมม่มค่ะแปลว่าอะไรอรัหลวงพ่อรู้อ๋อจำมัม่มค่ะก็เดี๋ยวหลวงพ่อก็ลืมนะ <c oughs> ต้องทําใจนะะพระหลวงพ่อแก่แล้วได้บอกแล้วค่ะต้องต้องบอกทุกวันน่ะถึงจะจําได้ คือหนูจะมาสารภาพผิดค่ะหลวงพ่อคือหลวงพ่อสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมคะหนูก็ไม่เคยเข้าใจว่ามันเป็นยังไงแต่วันเนี้เข้าใจแล้วว่าศีลเป็นฐานของสมาธิและปัญญาเนื่องจากว่าหนูผิดศีลข้อศีลเรื่องวาจาแล้วเมื่อวานนี้จิตตั้งมั่นดีมากก็เห็นขันทํางานตลอดเวลาออค่ะที่ไม่ใช่เราเลยนะคะพอกลางคืนก็เดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์ปกติแล้วก็หลับไป ทีนี้ก็ไปเห็นเหมือนเครื่องฉายหนังนะคะหลวงพ่อเห็นตัวเครื่องฉายหนังเลยค่ะเราก็ไม่มีหลังจากนั้นก็เป็นสภาวะเหมือนกระจายออกว่างๆแล้วก็เกิดการดับเกิดดับหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นก็หายไปเลยแล้วจิตก็บอกว่าศีลไม่ครบค่ะเนื่องจากศีลข้อสค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยเห็นเห็นทุกเห็นโทษของการไม่รักษาศีลสาธุนะดีจริงๆอย่างนี้ดี ขอกับพระคุณหลวงพ่อมากเลยฝึกนะเพื่อชีวิตของเราเองอย่างพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเรานะท่านไม่ได้หวังเอาอะไรของแค่เราพ้นทุกข์พ้นร้อนท่านก็ดีใจด้วยลว 94. ะ94โยมจะขอโอกาสส่งการบ้านหลวงพ่อนะคะโยมไม่เคยส่งการบ้า น, นะคะ่ะโยมรู้สึกว่าเตองติดเพ่งแล้วก็บางครั้งก็ถลำไปรู้อารมณ์ค่ะพอรู้ว่าถลำไปก็ จะพยายามแก้ไขอะค่ะบางทีก็กดไว้อืไม่มีปัญหาแล้วล่ะคยังติดเพ่งอีกมากหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่มากหรอกรู้สึกไหย ม, มันโปรกว่าเก่าเยอะแล้วเจ้าค่ะนะมันรู้ด้วยตัวเองดอกนี้ภาวนาไปนะดีมีการบ้านอะไรอีกไ <ทำ S 2> ม่จำอะไรทำอีกทําอีกทําไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะมันพัฒนาขึ้นแล้วล่ะทําไปอีกกับคุณเจ้าค่ะ ตอนนี้ที่พวกเราพอนาถึงขั้นแยกธาตุแยกขันได้เนี่ยนับไม่ท้วนแล้วนะเยอะมากเลยถึงขั้นเดินปัญญาได้แนละ้วถ้าแยกธาตุแยกขันไม่ได้นะอย่าพูดเลยเรื่องมรรคผลนิพพานมันเดินปัญญาไม่เป็น48น้ำมศการค่ะหลวงพ่อปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าพอหลงแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่กายอ่ะค่ะออแต่ว่าตอนเนี้ยมีปัญหาว่ามันมันแน่นอะคะ่ะ เหมือนที่มันแน่นนะค่ะหลวพ่อแล้วบางครั้งมันเหมือนจะหายใจไม่ออกด้วยอะค่ะอหายใจไว้นะอย่าเลิกอย่าไปบังคับใจนะรู้สบายๆแน่นๆบางทีเพราะเราไปข่มมันไปบังคับมันรู้สึกตัวไปง่ายๆสบายๆเห็นกิเลสบ่อยไหมไม่ค่อยไม่ค่อยบ่อยอะค่ะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวบ่อยไหมร่างกายเคลื่อนไหวเห็นไหมถ้านั้นถนัดกายมากกว่าจิต ดูกายก็ได้นะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนดูคนอื่นอย่างนี้ดูเป็นไหมดูได้ค่ะน่้อย่างนั้นใช้ได้และเห็นไหมกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตที่เป็นคนดูก็อยู่ส่วนหนึ่งคนละอันกันแยกได้ใช่ไหมได้ค่ะเห็นไหมความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในร่างกายก็ไม่ใช่กายแยกได้ไหมตัวนี้ได้ค่ะออกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นที่จิตก็ไม่ใช่จิตดูออกไหมเช่นความโกรธไม่ใช่จิตหรอก อันนี้ไม่ได้อ๋องั้ น, น <ะ S 2> ถนัดกายนะถนัดกายดูกายดูเวทนาทางกายนะแล้วก็จิตเป็นคนดูฝึกอย่างนี้บ่อยๆก็ใช้ได้ลงที่เดียวกันนั่นแหละไปฝึกตัวนี้นะเบอร์ร้อยสี่ได้เคยฟังหลวงพ่อเทศให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติว่า ถ้าจะออกบวชอะคะคือคนคนนั้นเนี่ยต้องรู้สึกว่าการที่จะอยู่กับทางโลกหรือว่าการบวชหรือไม่บวชเนี่ยก็รู้สึก mm. พอๆกันบวชก็ได้ไม่บวชก็ไดะะ้ะ mm. ลูกก็รู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติเจริญสติมาสองปีนี่ก็เกิดศรัทธามากเห็นความเปลี่ยนแปลงก็เชื่อมั่นว่าเป็นทางที่ที่ลูก มีความสุขอะคะู่ปทำงานมา30ปีรับราชการมาะคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็อีก8ปีจะเกษียณลูกรู้สึกว่าถ้าลูกรอไปมันก็จะนานเกินไปจะแก่เกินไปลูกก็รู้ตั้งใจว่าอยากจะทำงานให้กับศาสนาพอมีความรู้อยู่บ้างปัจจุบันเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็พอจะทราบทางด้านภาษาบ้างอะคะ่ะลูกก็วางแผนว่าอยากจะเออร์ลี่อะคะเกษียณก่อนกำหนด เพื่ อ, อเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนี้จะได้มาอยู่ในแวดวงของพระพุทธศาสนา mm hmm. นะคะ่ะลูกก็รู้สึกว่ามองตัวเองว่าน่าจะพอไปได้อะคะ่ะ mm hmm. มากราบขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากหลวงพ่อะคะ่ะลูกเป็นคนมองโลกแง่ดีไหม <laughs> เมื่อเมื่อก่อนนี้เป็นคนที่ชั่วไลายมากนะคะหลังจากที่ได้มาฝึกเจริญสติรู้สึกว่าก็คนที่เขาอยู่รอบตัวนี่เขาก็รู้สึกทุกน้อยลงค่ะ <S 2> <S 2> <S ก็เห็นรู้สึกว่าใจเปิดกว้างขึ้นนะคะ <S 2> <S 2> เคยอยู่ตามวัดตามอะไรบ้างไหมแบบอยู่ประจํานา น, <S <S 2> <S 2> น, านๆสักช่วงอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่นานมากะคะ่ะแค่ประมาณสัก10วันวไม่เห็นว ค, ความจริงหรอก ในวัดนัม <surely understanding ghosts> ันไม่ใ <ham> ช <tir am> <noise> ่โลกใสๆอย่างที่เราคิดหรอกนะร้ายไม่แพ้โลกข้างนอกหรอกนะแต่บ้านลูกอยู่ข้างวัดมาเกิดอยู่ที่ข้างวัดนะคะงันลองอยู่ก็เอางั้นอยู่อยู่บ้านเราแหละแต่ว่าไม่ต้องทำงานไงอยู่บ้านเราภาวนาคแล้วก็ทำงานให้กับ พระพุทธาาศาสนาได้ทํางานได้นะแต่ว่าหลวงพ่อไม่ค่อยแนะนําให้คนไปอยู่ในวัดหรอกน ะ, ะพอเราไปอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเขารับน้องใหม่น ะ, ะแต่ละวัดมีปัญหาทั้งนั้นเลยเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าปู่เจ้าย่า <c oughs> ลูกอาจจะยังไม่บวชในระยะแรกได้ไหมคะหลวงพ่อได้ไหลวงพ่อยังไม่แนะนําหรอกเป็นคารวะไปก่อนได้ดีที่สุดเลยเรามีรายได้อยู่ของเราได้เองนะ แล้วก็ใช้เวลาภาวนาไม่ต้องยุ่งกับคนเยอะถ้าเราไปอยู่ในวัดเนี่ยมีภาระเยอะนะในวัดไม่ใช่ว่างหรอกภาระแบบมุ่นวายมากเลยแข่งแย่งชิงดีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยยุ่งยิ่งวัดใหญ่ยิ่งยุ่งเยอะมีหลายคเราอยู่บ้านแล้วภาวนาเอาร้อยเจ็ดสิบสร้อยเจ็บสานี่อยู่นี่อยู่นี่ ที่ถามว่ามองโลกแง่ดีไปหรือเปล่าก็คือมองวัดสวยไปหรือเปล่าค <c oughs> ่ะหลวงพ่อค่ะในวัดเต็มไปด้วยคนเก็บกดนะเก็บกดไปทุกเรื่องเลยคือถ้าพื้นฐานการภาวนาไม่ดีพอนะอยู่ไม่ค่อยมีความสุขแต่ถ้าพื้นฐานการภาวนาดีแล้วอยู่วัดนี่มีความสุขที่สุดเลยนะมีเวลาภาวนาเยอะทำประโยชน์ได้เยอะอะไรเงี้ย ใช่ใช่พื้นฐานยังไม่แข็งพอหรอกเราพูดด้วยความเกรงใจเกรงใจ <c oughs> อ่ะมาสการค่ะหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อมาปีครึ่งแล้วค่ะเป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านเวลาที่หลวงพ่อบอกว่าให้ดูไกลๆอยู่บนสนามฟุตบอลไม่เข้าใจคะ่ะเหมือนอเราลงไปดูในอ่างแล้วควานเอาเออนั่นแหละรู้เลยว่ากำลังลงไปในอ่างรู้ทันไหมใจไหลลงไปควานกวาน เห็นตัวเองลงไปขวานั่นรู้ทันตัวนั้นน่ะใจมันจะขึ้นมาเองนะไม่ต้องดึงนะถ้ารู้ว่ามันไหลลงไปในอ่างมันจะขึ้นเองอย่างนั่นแหละดีแล้วมีกันบ้านอะไรไหมคะนั่นแหละฝึกเรื่อยๆนะเราใจไหลเรารู้38น้ำมันสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูมีปัญหาอยู่หนึ่งอยู่นะคะ คือเมื่อสอบเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนหนูไปกับครูบอาจารย์แล้วท่านก็บอกว่าหนูกระโดดข้ามขั้นอืให้กลับลงมาเอาเชือกธงไปด้วยอืมหนูก็มีความรู้สึกว่าใจหนูมันติดนิวรณ์ตรงที่ว่าน้องบอกอ้าวถ้าเกิดมาเอาเสาเถอมาเอาเชือกมันก็ต้องติดประคองซิไม่เห็นไตรักอืหนึ่งก็ต้องประคอไว้ก่อนสิถ้าใจเราฟุ้งนะหนูก็เลยอืมหนูก็เลยไม่มันใจใจหนูกลายกแทนที่หนูจะไปได้ทํามานหนูเลยไปเถียงกับเขาในใจ เนี่ยคือโทษของการที่วิ่งไปหลายวัดนะเรียนที่ไหนเอาสักที่งแต่ละที่นะครูบาอาจารย์ก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันหรือว่ามีชั้นเชิงลีลาในการสอนที่แตกต่างกันนะคือครั้งหนึ่งหนูมามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเห็นไหมตัวนิ่งๆหนูบอกว่าเห็นหลวงพ่อบอกไม่เอา <im it> ปล่อยไปเลย <im it> แล้วพอหนูหนูก็ปล่อยไปเลยโอเคมันก็ไปมันก็รู้ <im it> เผลอรู้แต่มันอาจจะนานหน่อย <im it> แล้วพอนั้นไปท่านก็บอกว่าให้กลับมาเอาเชือกทงอืมห <im it> นูนบอกอ้าวถ้าเชือกทงแล้วหนูจะเห็นตรลักษณ์เลยคะใช่ไม่ใช่เวลาเห็นตรรักษหนูยังไม่เห็นตัวสภาวะเลยแล้วหนูจะเห็นตัวตรลักณได้ยังไงหนูเห็นว่ามันเผลอเผลอแล้วรู้อืแล้วหรือบางทีว่าถ้าเกิดว่ามันมีความสึกว่าถ้าเกิดเราดิ่งลงไปในความคิดคิดคๆ ด, ค ด, คดไปมันไปเหลือไปเห็น ไปเห็นแล้วมันก็จะถอนขึ้นมาเหมือนแล้วแตะคือตัว<อ>ทุกเนี่ยมันเป็นก้อนกลมๆ ก, ก้อนหนึ่ง<อ>ตรงนั้นนะคะเรียนเท่าเรียนสั่ที่หนึ่งนะแล้วก็ตั้งใจทำให้เด็ดเดี่ยวไปเอาแล้วตอนนี้หนูขอถามสั้นๆหนูควรที่จะมีวิหารละทำตัวไหนที่แน่นแน่นอนต้องมีไม่งั้นใจจะฟุ้งนานนะการที่ท่านบอกให้มีเครื่องอยู่นัถูกต้องแล้วนะ<อ>ไม่ว่าจะฝึกด้วยสำนักไหนนะต้องมีเครื่องอยู่ทั้งสิ้น อ๋ อ, อไอความหมายที่ทงของเขาก็คือให้หนูมีวิหารธรรมอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่แล้วก็คอยรู้ทันจิตที่หนีจากวิหารธรรมไปเนะนี่ยครูบาอาจารย์แต่และองค์นะบางทีสอนเรื่องเดียวกันนะแต่ภาษาไม่เหมือนกันนะเราเรียนแล้วก็งงเราก็จะไปบอกอาจารย์โน้นบอกอาจารย์นี้ว่าอย่างงี้นะไปบอกอาจารย์นี้ว่าอาจารย์โน้นว่าอย่างงี้เดี๋ยวอาจารย์ก็ชกกันแนหะอ๋อแต่หนูไม่พูดถึง <laughs> ไม่พูดถึงความจริงพูดเรื่องเดียวกัน่ะ แต่ด้วยภาษาที่ต่างกันนะอะลักษณะคือการรู้ตัวทั่วพรอมเนี่ยหนูว่ามันเป็นความรูสึกของการประคองเล็กๆก็เราเราเราต้องยังต้องมีตรงนี้อยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะอย่าไปจงใจรู้ตัวทั่วพร้อมนะอ๋อถ้าอย่างกรณีตรงเนี้ยหนูกาลังจงใจอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ตัวเนี้ยตัวพลอมอ๋อใช่ใช่มันตัวพรอมมันไม่อิสระมันแรงตึงแหละตัวพรอมแหละพอจะปล่อยจากตัวนี้ก็ฟุ้งไปเลยใช่เพราะงั้นหนูต้องมีเครื่องอยู่นั่นถูกแล้ว จะอยู่กับพุทธโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อะไรก็ได้นะแต่ไม่ได้อยู่เพื่อจะนิง่งอลันสมมุติว่าถ้าก็อยู่ๆหนูเผลอแล้วบังเอิญเหลือไปเห็นลมหายใจแล้วหนูประคองลมงหายใจต้องตั้งใจอย่างนี้ <Out. S 2> ไม่ใช่ประคองลมหายใจหัดหายใจไปแล้วก็รู้สึกตัวไปหายใจไปแล้วรู้สึกตัวไปหายใจแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันหายใจแล้วรู้ทันจิตไปฝึกอย่างนี้นะ ไม่มีเรื่องประคองอะไรเลยมีแต่เรื่องหายใจแล้วรู้ทันจิตไปไปฝึกอย่างเนี้ยถ้าฝึกเป็นแล้วถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นแลก็ไม่มีปัญหาแล้วดังนั้นที่ท่านสอนก็ถูกเหมือนกันดัน้หนูทิ้งทุกอย่างเลยก็ใจก็หนีไปเลยเลยเพราะใจเรายังไม่มีแรงพออ๋อมันยังติดอาการฟุ้งมันอร่อยใช่ปะะเออนั่นแหละหกสิบเก้าไปคนสุดท้ายนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจอกันหน้าของการยก ยกเบอร์วันนี้คืออยากจะขอสอบถามสภาวะที่เกิดประจำของใจช่วงในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่สภาวะปัจจุบันตอนปัจจุบันตื่นเต้นคือมันมันรู้สึกมันมันมันนิ่งแล้วพอพอพอรู้ตัวว่าเผลอมันจะกลับมามันจะกลับมารู้ตัวตรงตรง ตรงกลางอกค่ะข้างในเนี่ยค่ะมไม่รทราบว่าทําถูกไหมเจ้าค่ะมันมาเองไหมมันมาเองมันมาเองไม่เป็นไรบางครั้งดึงมาเออถ้าดึงไม่ดีน่าจะแน่นใช่ถ้ามาเองนะแล้วไม่อยู่ตรงนี้ก็คแค่รู้นะจิตไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกอต่ตรงนั้นก็ยังเป็นของที่ถูกรู้อีกถ้าจิตมาอยู่ตรงกลางหนะ้าอกก็รู้ว่ามานะจิตทิ้งจากตัวนี้ก็ทิ้งไม่ใช่ไปจ้องอยู่ตรงกลางหน้าอกนะนะอย่าไปเฝ้าอยู่กลางหน้าอกนะ เดี๋ยวมันจะเห็นไหวยบยับยิบยัน้เมือแต่จ้องอยู่ตรงนั้นจิตมันส่งไปดูจิตมันส่งไปดูอยู่ที่กลางอกเห็นไหมมันไม่ได้ดูทันจิตหรอกจิตส่งไปดูให้รู้ทันว่าจิตไหลไปที่กลางอกแค่นี้ก็พอแล้แล้วมันนิ่งมันมันเหมือนมันเป็นสภาวะที่มันเงียบมันเพ่งนิ่งนิ่งอยู่ที่กลางอกนะให้รู้ทันจิตที่ถลำไปอยู่กลางอกนะอาชิกลับบ้านได้